อ, อันอาทิตย์ที่สิบเก้ามีนาคมสองห้าสามแปดเป็นการบรรยายพระสูตรเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัต t h ท่านสานุชนที่เคารพการบรรยายพระสูตรที่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทวันนี้จะใช้ <c oughs> เอกสารพระสูตรนะครับหมายเลขที่ที่ที่ห้าหน้าห้าหน้าหกหน้าเจดต่อกันเนี่ยนะเป็นพระสูตร ไม่ผมไม่ทราบว่าได้รับแจกวันนี้หรือเปล่ากระสูรมีชื่อว่าวิปัสสีสูตรเป็นต้นตวันนี้จะพูดต่อกันเป็นหลายสูตรนะครับเพราะว่าเนื้อหาในตัวสูตรนั้นคล้ายกันกระสูตรที่ชื่อว่าวิปัสสีสูตรหนึ่งและที่ชื่อว่าสิกีสูตร อีกสูตรหนึ่งเวสภูสูตรกระกูสันทะสูตรโนาคมณะสูตรและกัตสปะสูตรแล้วก็แถมด้วยมหาสักยะโมนีโคตมะสูตรหลายสูตรเลยนะครับถ้ า, าถ้ายังไม่มีนะฮะผมก็อาจจะต้องพูดปากเปล่าไปก่อนผมจะอ่านเนื้อความในวิปัสสีสูตรให้ฟัง พิปัสิสูตรนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับววพระพุธเจ้าที่พระนามว่าพุทธวิปัสสีซึ่งว่าด้วยพระพุทธวิปัสสีโพธิสัตว์คือตอนยังเป็นโพธิสัตว์ปริ ว, วัติตกถึงปฏิจจสมุปบาทมีเนื้อความในสูตรว่าก็คู่มีพระภาพประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของท่านอนาตบาินติกาเศรษฐีเขตรกรุนครสาวัวถี พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนที่สู่ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอารหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีก่อนแต่ตรัสรู้เมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ยังมิได้ตรัสรู้ได้ปริวิตกว่าโลกนี้ถึงความยากแล้วหนอย่อมเกิดแก่ตาย ตุติและอุบัติและเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ยังไม่รู้ทำอันออกจากทุกข์คือชราและมรณะนี้เมื่อไล่เล่าความออกจากทุกข์คือชราและมรณะนี้จากปรากฏครั้งนั้นแหลเจ้าพุทธวิปัสสีโพธิสัตว์ได้ปริวิตตกดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่ชราและมรณะจึงมี ชาลาและมรณะย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยกลังนั้นแหละพระวิปัสสีโพธิสัตว์เพราะกระทัาไว้ในใจโดยแยบคายจึงได้รู้โดยปัญญาว่าเมื่อชาติมีชาามรณะจึงมีชรามและมรณะย่อมมีเพราะชาติเป็นปัจจัยเมื่ออะไรหนอมีอยู่ชาติจึงดับเพราะชาติดับอ่เพราะท่านโทษเมื่ออะไรหนอมีอยู่ชาติจึงมี ชาติย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเมื่อพบมีอยู่ชาติจึงมีชาติย่อมมีเพราะพบเป็นปัจจัยเมื่ออะไรหนอมีอยู่พบจึงมีพบย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเมื่ออุปาทานมีอยู่พบจึงมีพบย่อมมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยก็ได้ทรงพิจารณาปริวิตกไล่สาวขึ้นไปโดยลาดับโดยลําดับจนถึง สังขารกับอวิชชาที่ว่าเมื่ออะไรมีเมื่ออะไรหนอมีอยู่วิญญาณจึงมีวิญญาณย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเมื่อสังขารมีอยู่วิญญาณจึงมีวิญญาณย่อมมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยเมื่ออะไรหนอมีอยู่สังขารจึงมีสังขารย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยครั้งนั้นแลพระโพธิสัตว์วิปัสสีพุทธธรรมไว้ในใจโดยแยบกายจึง ได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่ออวิชามีอยู่สังขารจึงมีสังขารย่อมมีเพราะวิชาเป็นปัจจัยนี่เป็นสายเกิดแล้วก็สายดับก็พิจารณาต่อไปแต่ผมจะอ่านข้อความก่อนที่จะไปถึงสายดับว่าเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณไปตามระดับดังปรานามาชนีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทุก ท, ท, ทั้งมวล น, นี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้จักษุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้บังเกิดแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ในธรรมที่ยังไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าข้างฝ่ายเกิดข้างฝ่ายเกิดอันนี้เป็นปฏิจจาวายเกิดคืออาวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารหรือวิชาทาให้สังขารเกิดเป็นต้นนะแล้วก็พิจารณาข้างฝ่ายดับที่ ทรงปริวิตกว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีชลาและมรณะจึงไม่มีเพราะอะไรดับชลาและมรณะจึงดับก็ได้ความว่าเพราะชาิดับชลาและมรณะจึงไม่มีก็พิจารณาสายดับไปจนทั้งถึงเพราะอาวิชาดับสังขารจึงดับนี่อันนี้ก็เป็นสายดับที่ในท้ายสูตรได้บอกว่าเพราะอาวิชาดับสังขารจึงดับวิญญาณ สังอาวิญญาณจึงดับไปโดยลําดับกองทุกข์ทั้งมวลก็ถึงความดับด้วยประการอย่างนี้จักสุยานปัญญาวิชาแสงรสว่างได้บังเกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ในธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าข้างฝ่ายดับข้างฝ่ายดับอย่างนี้แม้ในสูตรที่ชื่อว่าสิกขีสูตรเวสปูสูต ร, ก, รกัคูสันทักษูนโกนากมนาสูตรกรสัสปะสูตรและ มหาศากยะมุนีโคตมะสูตรก็เป็นไปโดยทำนองเดียวกันอันนี้ก็อ่านให้ฟังแต่ว่าจุดที่จะอธิบายเนี่ยจะอธิบายในจุดสาคัญสำคัญที่เราควรจะทราบแล้วก็ถือว่ายังเป็นสิ่งที่คลุมเครืออยู่ในความเข้าใจของเราผู้ฟังธรรมะเกี่ยวกับเรื่องปฏิจจะที่สัมพันธ์กับพุทธเจ้าคือปัญหาก็คือว่า ในสูตรนี้นะพระพุทธเจ้าทรงเล่าว่าพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์อันกําหนดตั้งแต่พระพุทธวิปัสสีมาจนถึงพระองค์เนี่ยได้เกี่ยวข้องกับปฏิจจสมุปบาทในการก่อนตัสสู้สาหรับในยิน่นี้แต่ว่าในที่อื่นเนี่ยได้พูดถึงความเกี่ยวข้องหลังตัสสู้ด้วยผม จะนำเอาที่อื่นมาประกอบและจะอธิบายให้เห็นเป็นผื้นเดียวกันอีกทีนะฮะคือในที่อื่นที่ว่านันก็คือในพระไตรปิฎกที่ชื่อว่าพุทธอุทานพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบหกมีพระสูตรแรกเลยที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาปฏิจจะหลังตรัสรู้สูตรที่อ่านให้ฟังมาที่เรากำลังศึกษาอยู่เนี่ย เป็นก่อนตัดสู้ใช่ไหมครับพิจารณาปฏิจจะก่อนตัดสู้จนได้ตัดสู้แต่ในพุทธอุทานที่หนึ่งแล้วก็ในพระวินัยปิฎกเล่มสี่ที่ชื่อว่ามหาคันตกกะอได้กล่าวถึงข้อความว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทหลังจากตัดสู้เป็นสัปดาห์แรกในสัปดาห์แรกหลังตัดสู้นะฮะอยู่ที่พุทธกยาที่โปที่บัลลังก์ แล้วก็สงเปล่งอุทานสามครั้งผมจะอ่านข้อความให้ฟังนะครับเท่าที่จำเป็นในพุทธอุทานกับในพระวินัยปิฎกที่คล้ายกันว่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคแลกตรัสรู้ประทับอยู่ณนะข่วงไม้โพธิพฤกษ ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราในอุลุเวลาประเทศครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งด้วยบัลลังก์เดียวสเสวยวิมุตติสุขณนะควงไม้โพธิพฤกตลอดเจ็ดวันทรงมนัิการปฏิจสมุปบาทเป็นอนุโลมและปฏิลมตลอดปฐมมยามแห่งราตรีว่าเพราะวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเป็นต้น และพิจารณาในสายปฏิโลมว่าเพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับเป็นต้นแล้วก็ทรงกล่าวอุทานที่หนึ่งอุทานที่หนึ่งทรงอุทานว่าเมื่อใดแลทมทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ตามพร้อมตั้งเหตุ แล้วก็ได้ทรงพิจณ า, าปฏิจจในมัชชิมยามอีกในยามกลางเป็นสายอนุโลมแล้วก็สายปฏิโลมแล้วก็กล่าวอุทานเป็นครั้งที่สองว่าเมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งพวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ความสิ้นแห่งปัจจัยทั้งหลายพออุทานแล้วถึงยามที่สาม ก็ส่งพิจารณาปฏิจจ์อนุโลมติโลมอีกเสร็จแล้วก็ตรงอุทานเป็นครั้งที่สามว่าเมื่อใดแลธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพราหมณ์นั้นย่อมกำจัดมารและเสนา ม, มารียได้ดุดพระอาทิตย์อุทัยทําความสว่างสวัยแก่อากาศเช่นั้นหรือทางอากาศให้สว่างสวัยเช่นั้นอันนี้ก็เป็นอุทานที่ทรงอุทานสามครั้งซึ่ง เนื้อความที่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทที่ผมนำเอามาอ่านให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาเห็นจัดว่าในจุดที่หนึ่งนะฮะพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ตัสรู้ด้วยการปฏิจจด้วยการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันหมด่ทุกองเนี่ยท่านไม่ได้กล่าวทั้งยี่สิบห้าเท่าที่ปรากฏอยู่ในพุทธวงศ์แต่กล่าว เฉพาะเจ็ดองค์เดี๋ยวผมจะอธิบายว่าคืออย่างไรคือเราเนี่ยเคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าทรงบรรลุธรรมด้วยการเจริญอานาปานสาติใช่หรือไม่ใช่ไหมแล้วทำไมในที่นี้ถึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาปฏิจจตุวบาทนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่จะ จะลำดับพูดให้เห็นชัดว่าอะไรคืออะไรเป็นอย่างเดียวหรือเป็นทั้งสองอย่างมีเป็นข้ อ, ม, ขอมีข้อที่น่าคิดอยู่อย่างหนึ่งนะฮะว่ า, วาพระพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์เนี่ยพิจารณาปฏิจจาเหมือนกันตามที่ปรากฏในพระสูตรที่ว่ามานี่นะครับแต่การใช้เวลาประกอบความเพีย อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งคำว่าเวลาประกอบความเพียรหมายความว่าตั้งแต่ออกบวชหรือโปรงประทายบวชจนถึงวันตรัสลุนับเป็นระยะเวลาประกอบความเพียรถ้าพุทธวิปัสสีนั้นใช้เวลาประกอบอ่าบําเพ็ญเพียร น, น, นะฮะแหวงงามโมกตธรรมเนี่ยครึ่งเดือนสองอาทิตย์ก็ได้ตรัสลุออกบวช ด, ด้วยรถ ใช้รถเป็นพาหนะออกบวชรถก็หมายถึงเครียนนี่แหละครับอย่าถามว่ารถยี่ห้อะไร <c oughs> <c oughs> เครียนเทียนเทียมมาและ ต, ตัสรู้ใต้ต้นแครฝอยตัสรู้ใต้ต้นไม้เหมือนกันหมดทุกงานแต่ว่าเป็นต้นไม้ต่างประเภทกันองค์ที่สองลสคลาสิกขีใช้เวลาบำเพ็ญเพียรแปดเดือนทรง ช้างออกออกปนวดกี่ช้างออกประหด ต, ตัสลูตตลตลลใตนะ้ต้นกลุ่มบกต้นกลุ่มอะกลุ่มไม่ใช่กลุ่มกลุ่มบกเพราะว่าไม่รู้กันนะคำว่าเกลืออะไต้นกลุ่มบกบางคนอาจจะเคยเห็นนะต้องไปถ่ายรูปถ่ายอลไรมาให้ดูกันให้เห็นชัด ๆ, ๆถึงจะจะรู้ว่าเออเป็นยังไงยังไงแนะ่นะ กันอยู่เกษตรท่า น, นรู้ดีสามพระเวสสุูนี่องค์ที่สามนะพระเวสสุูใช้เวลาหกเดือนนะจิงตาสลูใต้ต้นสาระที่เป็นต้นไม้ที่พระเจ้าประสูตรและประเลนิพานนั่นแหล ะ, สะเสด็จขึ้นวอออกบทวอกัเกี้ยวเหมือนกันไหมครับประเภทเดียวกัน ว, วอกัเกี่ยว องค์ประเภทนี้นะใช้คนหามพระกากุสันทะใช้เวลาบำเพ็ญความเพียรสิบเดือนะะตัสรู้ใต้ต้นสึก่อโซสะละอือกอไก่ต้นสึกสเสด็จ ด, ด้วยรถออกบวชพระโกนาคามณะใช้เวลาหกเดือน เ, ออเมื่อกี้เมื่อกี้เวทภูใช่ไหม เวสภูกะกูสันทะแล้วยังกะกูสันทะสิบเดือนน ะ, ะเดี๋ยวผมพวงตัวใหม่เวสภูหกเดือนกะคูสันทะสิบเดือนสิบเดือนครับขึ้นรถตัสรู้ใต้สนศึกโอนาคมณะทรงช้างออกบวช6กเดือนใช้เวลา6กเดือนตัสรู้ใต้ต้นมะเดืออันนี้เห็นไหมคว่าการอธิบายพุทธศาสนาต้องมีความรู้ประกอบเยอะ ต้องมีความรู้เรื่องทางภึกษาษด้วยหกองค์ที่หกพระพุทธกัตสปะใช้เวลาเจ็ดวันอาทิตย์เดียวตัสลูตตใต้ต้นใสต้นใสหรือต้นมิโครที่พระพุทธเจ้าทรงไปพิจารณาสวยมุติสุขหลังตัสลูแหละเสด็จออกบวชที่ประสาทนี ปรากฏว่ามีพระพุทธเจ้าหลายพระองค์เหมือนกันพูดงานว่าบวชที่ปราสาทแล้วพระโคตมะหรือพุทธเจ้าของเรานี่ไม่ต้องบอกว่ากี่ปีบอกสัหน่อยก็ได้เผื่อมีบางคนเกิดลืมไปหกปีตัสระะูใต้ต้นโพงส่งมาออกบวช แล้วขอแถมอีกสักองค์ไม่มีในสูตรเนี่ยพระเมตไตรพุทธเจ้าใช้เวลาเจ็ดวันบวชที่ปราสาทตัสลูใต้ต้นกากระถิงแล้วทั้งหมดนี้ก็มีทำบินิชัยว่าองค์ไหนเป็นปัญญาที่กะองค์ไหนเป็นสัทธาธิกะจะจะเอามาล่ะอ่าเจะได้บอก อ, องที่หนึ่งถึงองที่สามคือวิปัสสีสิกีเวสปูปัญญาทิกะยิ่งด้วยปัญญากกุสันทะโกนาคมมะักัส ป, ปะสามองนี้นะครับสี่ถึงหกเนี่ยสัทธาทิกะยิ่งด้วยศรัทธาโคตมะพุทธะพระองค์เดียวนั้นปัญญาทิกะ รัสีอ่านวิริยาธิกะอธิการนี่แปลว่ายิ่งยิ่งเนี่ยถือเอาตรงไหนเป็นหลักถือเอาระหว่างการสร้างบารมีนะฮะอินทรีย์ที่เด่นอินทรีย์ออกหน้าระหว่างการสร้างบารมีไม่ได้ถือเอาตอนตรัสรูแล้วตรัสรูนี้ถือว่าเท่ากันครับอินทรีย์ห้าเท่ากันภูมิปัญญาเท่ากันหมดทุกระองค์เลย แต่ว่าที่ว่าเนี่ยคือส่วนที่เป็นวาฮะคือศรัทธาที่เป็นพาหะนํามาคือบารมีระหว่างสร้างบารมีท่านท่านเอาตรงนั้นอันนี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบในส่วนอื่นซึ่งเป็นส่วนแตกต่างแต่ส่วนเหมือนคือตอนจะตัดสลูเนี่ยที่ในพระสูตรบอกว่าก่อนแต่การตัดสลู ของพระพทุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะฮะที่มีข้อความซึ่งเราอาจจะวาดมโนภาพไม่ตรงกับระยะการที่ท่านหมายถึงคือในสูตรนั้นไม่ได้บอกว่าวันที่เท่าไหร่วันไหนก่อนการตัดสลุ่เพีออยงแต่บอกว่าเมื่อ ย, ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก่อนตัดสรุยังไม่ได้ตัดสรุปริวิตรกว่าโลกยากหนอเกิดแก่เจ็บตาย แล้วประชาจลามรณะมีป้ออะไรถามว่าเมื่อไหร่การพิจารณากรตัสรูเนี่ยก่อนตัสรูกี่วันตอบว่าวันตัสรูนั่นแหละแล้วถ้าถามว่าวันตัสรูนั้นตอนเช้าตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นตอนหัวค่าตอนเที่ยงคืนหรือตอนใกล้ลุตอบว่าตอนใกล้ลุ ตอนใกล้ลุงอ้าวแล้วตอนก่อนใกล้ลุงไปทำอะไรเมื่อพระพุทธเจา้าทุกพระองค์เนี่ยสด็จลงที่โพธิบัลลังก์ใต้ต้นไม้ที่เป็นสหาชาติของพระองค์แต่ละองค์แล้วก็ทรงกำหนดอานาปานาสติซึ่งใช้เป็นอารมณ์ของ อารมณูนิชานหรือสมถะเพราะฉะนั้นอาณาปานสติเนะี่ยไม่ได้พูดอย่างชั้นของวิปัสนาไม่ได้พูดว่าสงได้วิปัสนาด้วยอาณาปานสติอ่เราเร า, เราทบทวนก่อนครัว่าเรารู้ว่าในคืนตรัสรู้มุตตเจ้าเนี่ยปฐมมัยยานสงได้อะไรก่อนปฐมมยามได้ยานอะไรก่อนนะบุพเพก่อนเนี่ยมา บุเพเณิวาสานุสติยานยามสองทรงได้จุตูปปาตยานยามสามได้อาสวัขยะยานเรารู้มาอย่างเราๆอย่างนี้ก็หมายความว่ายามหลังเนี่ยเป็นยามของวิปัสสนายามหนึ่งกับยามสองเป็นยานของฌาน และอภิญยาสายฉานยามยามสามเป็นพิปปัตนาและอภิญยาสายยิปปัตน า, าทีนี้เราก็ย้อนกลับมาดูว่าก่อนที่คนจะได้อภิญยาเนี้ยต้องได้อะไรก่อนต้องได้ชานถามว่าพระพุทธเจ้านั้นได้ชานมาก่อนหน้านั้นหรือเพิ่งได้ชานคืนนั้นได้ชานมาก่อนตั้งแต่ก่อนบวชแล้วใช่ไหมฮะในพุทธประวัติ ก่อนบวชแล้วท่านก็เป็นเจ้าชายที่สเสด็จตามพ่อไปทําพิธีแรกนาขวัญได้ฌา น, นนั้นได้ปฐมฌานแล้วก็พอมาออกบวชอะไรแล้วก็ได้ฌานสูงขึ้นไปจนครบแปดอ่ะอย่างที่เรารู้กันก็นแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทําหัตถกรรมฐานอุโยกไม่ได้ทําฌานต่อพอตัดสินใจที่จะสวยอาหาร มาทําฌานต่อทำฌานให้เกิดขึ้นเพราะในคืนแรกเนี่ยทรงเข้าอาณาปานาสติแล้วก็ได้ฌานด้วยอาณาปานาสติกรรมฐ า, านจากนั้นก็ใช้ฌานเป็นบาตรทำอภิญญาได้อภิญยาปรากฏในสองยางคือเวลาอภินย า, า, าสองอย่างจะปรากฏเนี่ยท่านต้องเข้าฌานเป็นบาตร สองสองหนนะคือครั้งแรกเข้าบุเพออกจากบุเพยามสองก็เข้าฌานเข้าฌานแล้วก็อธิษฐานให้เกิดจูตูปปาตยานในยามที่สองอันนี้เรียกว่าฌานเป็นบาตเป็นบาตของวิปัสนาในยามที่สามเป็นบาต ท, ทั้งตัวฌานเป็นบาตโดยความเป็นสมาธิ ตัวพิญญาเป็นบาทแกวิปัสนาในฐานะที่เป็นเครื่องอุดหนุนอุดหนุนวิปัสนาญาณก็ อ, อย่างวิปัสนาญาณเนี่ยมันต้องฉลกกับอภิญญาสองข้อนี้อย่างมากใครที่รู้ชาติก่อนมีพิญญารู้ชาติก่อนเนี่ยก็ไปสอดคล้องกับวิปัสนาญาณข้อที่ที่อะไร ท, ท, ที่ที่ละความสงสัยอ่ะ ปัจเจ้ะใช่ไหมฮะปัจเะ้าปรลิกกษะตริย์ที่รความสงสัยสงสัยชาตินี้ชาติหน้าแล้วก็จุ่ตูปปาตยานรู้จุดติรู้บัตรก็ไปสอดคล้องกับการรู้เหตุปัจจัยเหมือนกันก็คือกําหนดรู้ว่าสัตว์นั้นมีกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยอ่ามันมันสอดคล้องกับวิปัสสนาญาณตรงนี้ ซึ่งไอ้ทจริงสองวิปสัสนาญาณเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่วิปสัสนาญาณแท้ละว่าไปแล้วนะพอมาถึงยามสามนี่แหละครับได้ทรงพิจารณาปฏิจจ์ทีนี้จุดเริ่มเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่เราเคยพูดกันมาแล้วว่าการได้วิปสัสนาของพระพุทธเจ้านั้นทรงได้โดยกินตาหยานการได้วิปสัสนาของเราเนี่ยเราได้โดยสูตรตาหยานคือได้โดยการฟัง ฟังเสร็จแล้วถึงเอามาเอาหลักทฤษฎีเนี่ยมาใช้ในทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นกับพระพุทธเจ้าแล้วในคำภีพระไตรปิฎกถึงว่ากินตามยะปัญญาหรือจะพูดให้ชัดลงไปคือจินตามยะวิปัสนาปัญญาเนี่ยไม่เกิดแก่คนอื่นเกิดแก่พระพุทธเจ้าเท่านั้น พพระพุทธเจ้าทรงคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะจะไปรอให้ตัดรู้ก่อนก็ไม่ได้เพราะว่าจะตัดสู้ได้ก็ต้องได้วิปัสสนาญาณก่อนใช่ไหมฮะจะไปให้คนอื่นมาบอกก็ไม่ได้พราะพระุทธเจ้าต้องตัดรู้เองก็เลยต้องพิจารณาด้วยพระองค์เองและด้วยวาสนาบารมีที่ทํามาเพื่อตัดสู้ก็ทําให้คิดได้และจุดเริ่มของการพิจารณาเนี่ย ผมจะอ่านข้อความซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเชีย่ยเห็นถึงสิ่งที่เป็นจุดเริ่มว่าทําไมท่านเริ่มตั้งต้นคิดอย่างนี้คือปริที่มีข้อความว่าความปริวิตกดังนี้ว่าเมื่อเรายังเป็นโพธิสัตก่อนตัดสู้ยังไม่ได้ตัดสู้ได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าโลกนี้ถึงความยากแล้วหนอย่อมเกิดแก่ตาย ุติอุบัติโลกนั้นหมายถึงสัตว์โลกยากเป็นเชื่อของความทุกข์ทำไมไม่คิดถึงตัวเองว่าเรานี่ยากแล้วนเนาะที่คิดอย่างนี้เป็นการคิดรวมทั้งหมดเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีขึ้นเพื่อขนสัตว์และขนสัตว์ให้พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นเป็นเรื่องใหญ่ เป็นความมุ่งหมายใหญ่ของเราพุทธเจ้าเพราะนั้นสิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นที่ทําให้พุทธเจ้าทรงคิดอง น, นี้คือคิดแทนคนอื่นด้วยคิดเพื่อคนอื่นด้วยด้วยอํานาจมหากรุณาแล้วก็เป็นความทุกข์ของคนอื่นที่เกี่ยวกับการเวียนว่ายใจเกิดจึงกล่าวว่าย่อมเกิดแก่ตายจุติและอุบัติคือเกิดแก่ตายแล้วก็จุติแล้วก็เกิดอีกซ้ําๆอยู่เช่นนั้น เป็นเรื่องของทุกข์ในสังสารวัฏแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ยังไม่รู้ทำอันออกจากทุกข์ถามว่าใครไม่รู้สัตว์โลกมีความทุกข์อันเกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายก็ยังไม่รู้ทมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ยังไม่รู้นี่ก็เป็นความรู้สึกของท่านนะ ว่าไม่รู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์ปัญญาที่สอตลคดด้วยความกรุณาได้เกิดขึ้นเป็นประสมอย่างนีน้ทุกข์ก็คือชะลามรณะนี่แหละเมื่อไรเล่าความออกจากทุกข์คือชะลาและมรณะนี้จึงปรากฏคือทีแรกท่านคิดว่าเกิดแก่ตายเนี่ยเป็นทุกข์พอคิดไปคิดมาเนี่ยครับมันมาบีบลงที่ชะลาและมรณะ ซึ่งเป็นองค์สุดท้ายของของปฏิจจคือคิดรวมๆอย่างไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยก็ว่าเกิดแก่เจ็บตายแต่พอมาคิดเพื่อสาวจากผลไปหาเหตุชลามานณะก็กลายเป็นองค์ผลสุดท้ายแล้วก็เป็นภพเป็นปัญหาที่สัตว์รังเกียจอย่างเห็นเห็นเกิดนั้นดูจะไม่รังเกียจ แต่แกจะตายเนี่ยสัตว์ทั้งหลายรังเกียบท่านจึงตั้งต้นสืบไปหาชาติอันเป็นเหตุแห่งมรชะลามรณะสืบต่อไปตามลำดับตรงนี้ถ้าถามว่าเริ่มต้นเนี่ยท่านคิดแล้วพอคิดได้แล้วเนี่ยนะฮะเป็น วิปสัสนาใช่หรือไม่ตอบว่าใช่เป็นวิปัสนาญาณใช่หรือไม่ตอบว่าใช่แล้วถามว่าการเห็นชาติชรามรณะโศกะบริเทวะหรือปฏิจจะแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยเห็นปฏิจจะของใครเอาตรงนี้ก่อนเห็นปฏิจจะของใครตอบว่าเห็นของพระองค์เป็นหลัก อันเป็นภายในแล้วก็ปลาลบถึงองค์แห่งปฏิจจักอันเป็นภายนอกเอาอย่างที่ผมได้บอกอยู่บ่อยๆว่านี่คือเห็นอนัตตาและคืออนัตตาคือความแยกคณะออกมาเป็นส่วนๆเป็นองค์ปฏิจจ์นี่คือการแตกเหมือนแตกขันนะออกเป็นส่วนๆชั้นใดการแตกชีวิตอย่างปฏิจจาคือแยกออกมาเป็นสิบสองส่วน และที่พิเศษก็คือว่าความเป็นเหตุเป็นผลกันโดยที่ต่างฝ่ายต่างไม่รู้กันไม่รู้กันเพื่อจะบอกว่ามเป็นอนัตตาก็จับรูปจับนามจับความเป็นอนัตตาได้อย่างนี้เห็นว่าเป็นอย่างนี้ในในตัวของท่านเองนะในกันท่านเองแล้วก็ปลาลบถึงสัตว์อื่นด้วยภายในตามการภายนอกตามการและ วิปัสนาญาณเกิดถ้าท่านจะถามว่าเห็นองค์ไหนกับองค์ไหนเป็นวิปัสนาญาณไหนจะตอบว่าไงตอบว่าวิปัสนาญาณที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้ใบบอกว่าเห็นองค์ไหนเป็นญาณไหนเห็นสิบสององค์แหละเป็นได้ทุกญาณเห็นทั้งสิบสององค์เนี่ยเป็นได้ทุกญาณ ทุกยานเห็นติดอ ง, อ ง, อง่อผมยกตัวอย่างเช่นว่าการเห็นอวิชชารู้อวิชชาว่าเป็นเหตุให้เกิดสังขารในเราพูดใจเกิดก่อนการไปเห็นอย่างนี้แม้ยานสูงก็เห็นวิปมกยานก็เห็นพูดง่ายๆก็คือว่าปฏิจจะทั้งสิบสององค์เนี่ยมันมีความตื้นลึก อันบุคคลอย่างเห็นไม่เท่ากันเหมือนอริยสัจสี่พระโสดาบันก็เห็นอริยสัจสีใช่หรือไม่เท่ากับพระอราหันต์เห็นไหมไม่เห็นพระอราหันต์เป็นอรหันต์ก็เห็นเรื่องเก่าแต่เห็นไม่เท่าเก่าเมื่อรู้ไม่เท่าเก่าก็ละไม่เท่าเก่าเมื่อละละไม่เท่าเก่าก็บรรลุคือเข้าถึงทำไม่เท่ากับ นี่ฝากให้เป็นข้อกําหนดอย่างนี้นะฝากให้เป็นข้อกําหนดอย่างนี้ทีนี้ผมพูดให้มันลึกลงไปองนิดนะฮะแปลว่าลึกพอฟังได้ว่าพอไปพิจารณาปฏิจจาสายดับพิจารณาสายดับเพราะตัวนั้นดับตัวนี้ดับตัวนี้เกิดตัวนี้เกิดทั้งสองสายเนี่ยถ้าเราอ่านดูเผลอๆเนี่ยเราก็นึกว่ามันเหมือนกับเราคิด คิดเออไอนี้เป็นปัจจัยอันนี้ต้องต้องเรียนว่าไม่ใช่ทฤษฎีไม่ใช่ทฤษฎีคือไม่ใช่อย่างเราพิจารณาอย่างทฤษฎีทฤษฎีเนี่ยหมายคก็ว่าเราหลับตาหรือนั่งสวดมนต์ว่าอาวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารหมายความอย่างนี้นี่คือคิดแบบทฤษฎีเราคิดแล้วอวิชา ดับบ้างไหมสังขารดับบ้างไหมไม่ได้เกี่ยวกับการลื้อถอนปฏิจจารใช่ไหมถ้าคิดแบบทฤษฎีนะจะคิดสายเกิดมันก็เกิดจะคิดสายดับมันก็เกิดนะฮะอันนี้ต้องฟังให้ดีครับเรื่องตรงนี้ถ้าคิดแบบทฤษฎีเนี่ยคิดสายดับมันก็เกิดคิดสายเกิดมันก็เกิด ไม่ได้ลื้อถอนปฏิจจะเลยแต่ถ้าบุคคลพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอย่างนี้พิจารณาสายเกิดก็ดับพิจารณาสายดับก็ดับเอาละสิฟังแล้วจนงงนิดนะผมย้อนไปเทียบตรงนี้ให้เห็นชัดว่าเมื่อบุคคลรู้อริยสัจสีว่าสามุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ทุกเลยเกิดตามรู้ใช่ไหมต้องคิดนะเจะฟังแล้วคิดนะ ถ, ถ้าคิดไม่ออกก็ทำนิ่งๆไว้ผมจะได้ตูวหลนตัวลอยอธิบายให้ชัดขึ้นเมื่อผู้กําหนดรู้สมุทัยว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในทางปฏิบัติเรต้องย้ําในทางปฏิบัติถ้าทฤษฎีถึงรู้มันก็สร้างทุกอยู่นั่นแหละถึงรู้ทุกข์ในทางปริยัติมันก็ไม่ได้ละทุกข์อย่างในยามการปฏิบัติ แต่ผู้ที่กำหนดรู know, ้ทุกเนี่ยอย่างผู้เป็นโสดบันรู้ทุกประศัตรรู้ว่าสมูทยเป็นเหตุให mm. ้เกิดทุกการรู้อย่าง ication, s <S yes. Rabb, icaid, um. i i. น yeah. RAW, ี้เป็นการยั่วยุให้สมูทยสร้างทุกใหญ่ใช่หรือไม่หรือว่าการรู้อย่างนี้รู้ว่าสมูทยทาให้เกิดทุกแต่เพราะรู้เนี่ยสมูทยเลยไม่ทำให้เกิดทุกเป็นการละสมูทยตอบว่าเป็นการละสมูทย ทั้งที่รู้ว่ามันเกิดเหมือนกับเมื่อภากชาเราบอกว่าเรารู้อกุศลด้วยปัญญาด้วยจิตเป็นกุศลอกุศลกลับไม่ครอบงำผู้นั้นรู้กุศลด้วยจิตเป็นกุศลก็ยิ่งไม่ทำให้กุศลเสียหายนะอันนี้ก็เป็นในย่เดียวกันว่าถ้า การพิจารณาในแง่ของปริยัติเนี่ยพิจารณาอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่กระเทือนปฏิจจ์ชีวิตเราคือปฏิจจ์ทั้งดุน่นแต่ข้อที่พระเจ้าทรงรู้ว่าอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดเพราะอย่างนั้นยังไั้นยงั้นเนี่ยนะฮะกลับเป็นการละละหมายถึงไอกระบวนการทางความรู้เนี่ยทำให้ท่านละแล้วก็เมื่อกำหนดรู้ เพราะตัวนี้ดับตัวนี้ยังดับนั่นแหละการรู้ตามความเป็นจริงนั่นแหละเป็นการละเขาเรียกว่าตัวรู้นั้นเป็นตัวละแต่ไอสิ่งถูกรู้เนี่ยมันจะยังไงมันก็มีฐานะเป็นแค่เป็นปัใจจัยให้ความรู้รู้เพื่อละเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่บุคคลจะละความชั่วเนี่ย รู้ความชั่วก็ละความชั่วรู้ความดีก็ละความชั่วนะรู้เหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหละคือการละความทุกข์ละเหตุให้เกิดทุกข์รู้มรรคอันเป็นเหตุให้ถึงสุขนั่นก็คือการละความชั่วและนั่นคือกระบวนการที่จะทำให้ถึงความสุข เพราะฉะนั้นความรู้ต้องรู้ความจริงทั้งฝ่ายความชั่วความดีฝ่ายเกิดฝ่ายดับเป็นประโยชน์แก่การละทั้งคู่นี่โดยนัยยะของการปฏิบัติเป็นอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าไม่รู้เนี่ยครับถ้าหากว่าไม่รู้มันก็เกิดไปในทางในทางเกิดไอ้ไอ้ตัวละเนี่ยคือตัวตัวรู้ มันไม่ใช่ตัวสิ่งที่มันเป็นทั้งมันอยู่ขณะนั้นคือมันเป็นอย่างไงเราเข้าไปรู้ตามนั้นนั่นคือก่อให้เกิดการทีนี้ก็ชี้ให้เห็นอีกนิดนึงว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาว่าเพราะตัวนี้เกิดตัวนี้จึงเกิดคือรู้ไซายเกิดเนี่ยนะเราแยกให้ดีนะฮะว่าตัวถูกรู้เป็นอันหนึ่งคือตัวปฏิจจาร แล้วก็ตัวกําหนดรู้เป็นอีกอันหนึ่งตัวกําหนดรู้เนี่ยเมื่อรู้นี่อันนี้เกิดอันนี้จึงเกิดอันนี้เกิดอันนี้จึงเกิ ด, นนกดตัวรู้นี่นจะเกิดพลังละขึ้นแต่ไอสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมันมีฐานะเป็นอารมณ์ที่ทําให้ตัวรู้นั้นเกิดพลังละเท่านั้นเองแล้วก็ไอตัว ตัวรู้กับตัวที่ถูกรู้เนี่ยถ้าพูดถึงว่าถ้าถามว่าไอตัวถูกรู้เนี่ยมันเป็นอดีตหรือเป็นปัจจุบันหมายถึงปฏิจจะที่ท่านรู้เนี่ยนะฮะเป็นปัจจุบันหรือเป็นอดีตหรือเป็นอนาคตตอบว่า เป็นทั้งอดีตเป็นทั้งปัจจุบันเป็นทั้งอนาคตแต่ตัวรู้นั้นเป็นปัจจุบันเพราะว่าเวลารู้ต้องรู้ไปถึงอดีตแล้วก็ถึงปัจจุบันถึงอนาคตแล้วก็ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่ตัวกาหนดรู้เนี่ยก็ถูกกาหนดรู้ว่าถ้ายังเป็นโลกิ ย, ยานอยู่ก็ ถือว่าเป็นจุดหนึ่งของปฏิจจ์นี่เขาเรียกว่าปฏิจจามันก็รู้ตัวเองนะปฏิจจ์คือมันที่ผมว่ากาวสองสากาวมาแล้วเนี่ยว่าคนทำวิปัสนาวิปัสนาก็อยู่ในวงรอบของปฏิจจกที่พยายามที่จะ ด, ดีดตัวเองออกมาจากความเป็นปฏิจจกถ้าบรรลุมรบรรลุผลเมื่อไหร่ก็หมายความว่าความรู้นั้นหลุดออกมาจากวงรอบของปฏิจจาแล้ว ตรงนี้มันเป็นเรื่องลึกที่ในทางอธิบายเนี่ยต้องลำดับความกันเยอะถึงว่าเรื่องนี้นะ่ต้องต้องมีรายการพิเศษแล้วการจะมาพูดเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยคนพูดเองก็ต้องเตรียมลำดับเรื่องให้ดีเป็นพิเศษด้วยไม่งงั้นก็จะสื่อความหมายกันเข้าถึงทางลึกได้ลำบากหน่อย อ่าผมจะว่าออกไปในรูปของของเหตุการณ์เป็นสำคัญก่อนาหลับตรงนี้เมื่อท่านพิจารณาเห็นปฏิจจะซึ่งที่จริงก็คือทุกสมุทัยนี้ลดมากมาอยู่ในนี้นะะเมื่อพิจารณาไปโดยลำดับดลาดับวิปัสสนาญาณก็เกิดเป็นชั้นๆไป จนถึงตอนปัจจุสมัยท่านบอกว่าพอถึงปัจจุสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงพิจารณาปฏิจจะหรือพูดอย่างภาษาอย่างเราๆคือพิจารณานามรูปในรูปแบบของปฏิจจะได้วิปัสสนาญาณรอบที่สี่ขึ้นมาโดยลำดับโดยลาดับจนกระทั่งถึงเวลาปัจจุสมัยได้บรรลุมรรคสุดท้าย เป็นพระอาหารหันต์พร้อมกับความเป็นพระพุทธเจ้าในขณะนั้นด้วยอำนาจประติจาพอบรรลุเสร็จแล้วเนี่ยครับท่านไม่ได้ลุกไปไหนเลยเรารู้อยู่ว่าธรรมดาของพระอริยะเมื่อบรรุเป็นพระอริยะแล้วจะต้องปัจเจเวกปัจเจเวกนั่นแปลว่ายานกำหนดลูกกลับหรือลูกทบทวน ว่าเรารู้อะไรอย่างไรดีขึ้นตรงไหนดีขึ้นเท่าไหร่ยังมีอะไรต้องแก้ไขอีกปัจจเวขณะญาณเนี่ยจะมีธรรมดาจะต้องเกิดทันดีพระพุทธเจ้าก็พิจารณาปัจจเวเอ่อเรานึกถึงเหตุการณ์จริงๆว่าท่านบรรลุตอน เอาตีเทวว่าหกโมงเอาง่ายๆอย่างนะี้นะหลังจากนั้นเป็นกลางวันท่านพิจารณาปฏิจจะตอนไหนท่านาผมขออ่านข้อความในนี้เพื่อให้ให้เห็นข้ออังเกตแล้วข้อยืนยันข้อสงสัยแล้วจะได้อธิบายชี้ชัดลงไปนะว่าแรกดาสลูประทับอยู่ณนะ่วงไม้โพดิพฤกใกล้ ฝังแม่น้ำเนรัญชาาในวารุเวลาประเทศครั้งนั้นพระผู้มีพภาคประทับนั่งด้วยบรร ล, ลังเดียวนี่นคําว่าบรรลังเดียวเนี่ยกรรมหนึ่งสเสวยวิมุติสุขอยู่ณนะควงไม้โรตลอดเจ็ดวันทรงมัณฑิการปฏิจจานุโลมปฏิโลมตลอดปฐมยามแมืงลาตีมาจิมยาเมืองราตีปัจิมยาเมืองลาตีถามว่าท่านพิจารณากลังวันหรือกังคืนปฏิจจะหลังตาสาุ ตัสรู้นะกลางคืนแหละแล้วพิจารณาปฏิจจารหลังตัสรู้สูตรที่เราอ่านเป็นหลักนี่ก่อนตัสรู้ปฏิจจาเป็นเหตุในอุทานในวินัยวิ d o พิจารณาปฏิจจาอย่างเป็นผลผลคือตัสรู้แล้วทีนี้เรากําลังพูดถึงการพิจารณาปฏิจจาในส่วนหลังตัสรู้เนี่ยว่า ในนี้บอกว่านั่งโดยบัลลังก์เดียวแปลว่าไม่ลุกครับไม่ได้ใช้ที่เกินกว่าหนึ่งที่สํานวนในว่านั่งบัลลังก์เดียวคือนั่งแล้วไม่ลุกไม่กระยักหลังจากศัตว์รูแล้วก็นั่งอยู่ที่นั่นแหละนั่งเรื่อยต่อมาสเสวยในนี้บอกว่าสเสวยวิมุตติสุขแล้วก็ปฏิจาฏ จ, า, บบจาปฏิจจานี่พอมาบอกพิจารณาปฏิจจาบอกเป็นเวลากังคืนชัดเจนถูกไม่ถูก ปฐมยามทุตีอ่าปฐมยามมัชจิมยามแล้วก็ปฏิมยามถามว่าวิมุตติสุขกับการพิจารณาปฏิจจานั้นเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันอย่างเดียวหรือคนละอยา่างตอบว่าคนละอยา่างการพิจารณาการสวรยวิมุตติสุขนั้นท่านบอกชัดว่าได้แก่เข้าผลสมาบัติหมายถึงอรหัตผลสมาบัติสำหรับเราพุทธเจ้า ก็หมายความว่าเมื่อได้ทรงตรัสรู้แล้วทรงปัจ เ, จเวกถึงธรรมที่ตรัสรู้นั้นพอสมควรแล้วจากนั้นจึงเสวยวิมุตติสุขคือเข้าผลสมาบั ต, ติตลอดกลางวันตลอดกลางวันตั้งแต่เช้ามาเลยครับปฏจ เ, จเวกขณะยานเกิดพอสมควรนิดหน่อยแล้วก็เข้าผลสมาบัติ มาจนกระทั่งถึงหกโมงเย็นพูดเอาโดยประมาณตามเวลาตะกลด์ดนี้พอเข้าเขตหนึ่งทุ่มหมายถึงหกโมงแล้วเข้ า, ขาย่างเข้าสูงชั่วโมงแรกของกลางคืนเนี่ยทรงออกจากผลสมาบัติหรือวิมุตติสุขพิจารณาปฏิจจสมุปบาทที่ทรงใช้เป็นอารมณ์ ในการทำวิปัสสนาเมื่อคืนต้งบอกวเมื่อคืนหวานพิจารณากลับไปกลับมาแบบที่เรียกว่าอนุโลมและปฏิโลมทั้งสามยามถ้าจะถามว่าการพิจารณานี้สงเคราะห์เป็นยานอะไร แล้วก็ทรงพิจารณาเพื่ออะไรจะว่าพิจารณาเพื่อตรัสรู้ก็ไม่จําเป็นแล้วเพราะตรัสรู้แล้วเป็นยานอะไรครับตอบว่าเป็นปัจจเวกขณะยานและปัจจเวกขณะยานอันเกี่ยวด้วยสิ่งเหล่านี้นะ่ะเกี่ยวหมายถึงเกี่ยวกับเรื่อง ติจจะเนี่ยก็มีอาการเหมือนอย่างวิปัสนาญาณแหละแต่ไม่เรียกแล้วตอนนี้ไม่เรียกว่าเป็นวิปัสนาญาณแล้วคือจริงๆก็คือพิจารณานามรูปพิจารณาถึงอารมณ์ของวิปัสนาที่พระองค์ได้ทรงใช้มาว่าได้กําหนดรู้อย่างนี้ได้เกิดญาณอย่างรู้ด้วยอาการอย่างนี้ ก็ถือว่าเป็นเป็นความประทับใจหรือเป็นความอัศจรรย์ใจอย่างหนึ่งที่ท่านได้รู้ทำชนิดที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยเป็นว่าอาทิตย์แรกเนี่ยกลางวันเข้าผลสมาบัติกลางคืนพิจารณาปฏิจจสมุปบาทถ้าถามว่าพิจารณาแล้วได้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหรือเท่าเก่า ก็เห็นจะตอบโดยสันนิษฐานว่าคงเท่าเก่าแหละแต่ว่าได้ความสุขเพิ่มขึ้นคือถ้าเราเราเทียบให้เห็นชัดเนี่ยว่าความสุขสองสิกเนี่ยความสุขในส่วนแรกนั้นเป็นความสุขในพระนิพพานสวยมติสุขนะความสุขในส่วนหลังกลางคืนเนี่ยเป็นความสุขในวิปัสสนา เหมือนความป็ความสุขในวิปาสนาความสุขจากการกำหนดรูน้นามรูปด้วยวิปัสนาคือเวลาเข้าขนสมาบัตินั้นไม่มีความนึกคิดอะไรเลยไม่มีการตรองพิจารณาอะไรทั้งสิน้นรับแต่นิพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวแต่เมื่อพิจารณานามรูปหรือวิปัสนาเนี่ยมีความคิดพิจารณาด้วยภาวนาใหม่ไม่ใช่จินตานะคิดพิจารณาว่าอันนี้อันนี้ คือจิตเคลื่อนไหวไปตามกระแสของนามรูปแต่มีฐานะอย่างเช่นีที่เรียกว่าเห็นนามรูปอย่างวิปัสนาเห็นนามรูปอย่างวิปัสนาที่ออกมาในรูปขอ ง, ป, ของปฏิจจสมุปบาทดัะนั้นเมื่อท่านพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จึงอุทาน นะผมอธิบายอุทานขอท่านสักนิดนึงอุทานว่าเมื่อไรแลบางเอินแผ่นใสเครื่องกัดข้องนะเลยไม่ได้เขียนให้ปรากฏเจวบอกเมื่อใดแลทําทั้งหลายปรากฏแก่พรามคําว่าทําทั้งหลายนั้นก็คือปฏิจจ์หรืออรเรยสัจสีเป็นอันเดียวกันอัตตกถาท่านบอกกันเะนี่ยคือปฏิจจคืออาิรยสัจรีนั่นแหละ เพราะในนั้นมันมีทั้งทุกข์มีทั้งสมุทัยมีทั้งนืโ้โทษแล้วก็มีทั้งอานะของความเป็นมรรคอยู่ในนั้นปรากฏเก็บพราหมพรามหมายถึงพระพุทธเจ้านั่นเองผู้มีความเพียรเพ่งอยู่คําว่าเพียรเพ่งอยู่นั้นหมายถึงเพียรอรรถาเพราะว่าอาตาปีคือวิปอาตาปีในวิปปัตนาอันหนึ่งกับในมรรคอันหนึ่ง เมื่อนั้นความสงสัยของพรามย่อมสิ้นไปที่ใช้คำว่าความสงสัยเนี่ยคือความสงสัยที่เกี่ยวด้วยนี่ว่าอย่างอัตกถานะว่าเกี่ยวก็ด้วยปฏิจจาว่าชาติเป็นใครชาติเป็นของใครแล้วก็ชาติ ก่อนมีหรือไม่เป็นเรื่องความสงสัยในชีวิตหมดไม่มีสิ้นไปสิ้นไปเนี่ยคือท่านพูดว่าสิ้นไปไม่ใช่พึงสิ้นขณะพิจะะารณาขณะอุทานแต่สิ้นไปตั้งแต่บรรลุมรักแล้วพิจารณาจนบรรลุมรักนะสิ้นไปตอนนั้นแล้วผลว่าเพราะมารู้ทำพร้อมทั้งเหตุคำว่าเพราะมารู้ทำพร้อมทั้งเหตุ อาถาท่านบอกว่าอุทานที่หนึ่งนั้นเกิดขึ้นด้วยอำนาจการพิจารณาปฏิยาการคือทั้งหมดในความจริงก็พิจารณาปฏิจจะแต่ว่าจุดสำเน็จสำหรับอุทานครั้งแรกเนี่ยอาตถาท่านบอกว่าอยู่ที่ความสัมพันธ์กันขององค์แต่ละองค์ที่บอกว่ารู้ทำพร้อมทั้งเหตุ ว่าอันนี้เป็นปัจจัยแก่องค์นี้คือมันเรื่องเดียวกันแต่ว่ามองเอาตรงไหนเป็นจุดสนใจจุดสนใจตัวนี้อยู่ที่ความสัมพันธ์กันขององค์คือตัวปฏิจจ์โดยตรงอุทานที่สองอุทานที่สองนั้นในเบื้องต้นเหมือนกันแต่ในเบื้องปลายต่างกันว่าเพราะเนี่ยสาเหตุอ่างสาเหตุว่าทําไมถึงถึง สิ้นสงสัยเพราะได้รู้ความสิ้นแห่งปัจจัยทั้งหลายตรงนี้อาจาราท่านแกว่าเกิดด้วยอํนอาทานนี่นะเกิดด้วยอำนาจของการพิจารณานิพพานที่เข้าถึงด้วยการบรรลุ ป, ปฏิจจสมุบา ท, ทานั่นเหมือนกันความสิ้นแห่งรู้ความสิ้นแห่งปัจจัยนี่เ็าแปลเป็นภาษาไทยก็อย่างนี้แต่ว่าท่านบอกว่าหมายถึงอัปปจิยธรรม คือพระนิพพานเป็นธรรมไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยก็อุทานความสงสัยในพระนิพพานในความพ้นทุกข์ก็หมดเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อ ย, ยังไม่ได้ตัดทะล ก, ก็ถือว่ายังมีความสงสัยสงสัยละเอียดสงสัยหยาบ ก, ก็ชื่อวยังมีความสงสัยตามธรรมดาของผู้ยังมีภูมิทําเป็นบุตุชนอยู่อุทานที่สาม ที่อุทานว่าเมื่อพรามเพ่งอยู่ในธรรมซึ่งปรากฏแก่พรามผู้เพียนเพ่งนั้นเมื่อนั้นพรามนั้นย่อมกำจัดมานและเสนามานได้ดุจพระอ ท, ทิตย์อุทยทำอากาศให้สว่างฉะนั้นตรงนี้าทักษาท่านบอกว่าเกิดขึ้นด้วยอำนาจของการพิจารณามักเพราะมักนั้นเป็นเครื่องละกิเลส ก็เลยนี่คือปัจจเวกเนีไยที่บอกว่าปัจเจเวกพิจารณานีผ่านที่ได้พิจารณามรรคแล้วก็พิจารณ า, าทุกกระสมูไทยคือนามรูปที่เป็นตัวปฏิจจสมุปบาทก็ตอนที่ท่านพิจารณานเนี่ยถ้าพูดถึงจริงๆน่ะปฏิจจคขาดแล้ว ตอนตอนหลังเนี่ยนะตอนที่กําลังจะทําวิปัสนาเนี่ยปฏิจจา ย, ยังไม่ขาดใน ต, ตัวท่านนะะแล้วก็ค อ, อคือพูดอย่างที่ผมพูดมาคือตัวสังขารเนี่ยได้ถูกอบลมให้ดูตัวเองแล้วก็ค่อยๆดีดตัวออกมาจากความเป็นสังขารคือตอนยังเป็นวิปัสนาเนี่ยถือยังเป็นสังขารเกิดจากอวิชชาอวิชชาถูกกลาสังขารประณีตขึ้น เป็นส่วนในกุศลสังขารพอถึงบรรลุมรกายานเนี่ยข่านไม่นับว่าเป็นสังขารในความรู้นั่นนะดีดตัวออกมาเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สังขารและเมื่อถูกดีดตัวออกมาถึงจุดนั้นได้แปลว่าปฏิจจคขาดขาดตอนเป็นการละปฏิจจ์ได้ถ้าบรรลุโสดานในทีแรกก็ ขาดวงในส่วนหนึ่งบรรลุมรรคที่สองก็ขาดวงส่วนหนึ่งจนทั้งบรรลุเป็นพระอราหันต์เป็นพรุทธเจ้าปฏิจจคขาดวงขาดเลยตอนนั้นถือว่าขาดขาดเนี่ยหมายถึงอาถ้าถามว่าขาดแล้วทําไมท่านยังมีชะลาอยู่ยังมีแก่อยู่ยังมีทุกข์อยู่นะถ้าสงสัยอย่างนี้ก็มีคําตอบอ่าเดี๋ยวผมจะตอบอเมื่อ บรรลุแล้วพิจารณาอีกอันนี้นเป็นการพิจารณาปฏิจจะที่มันขาดแล้วที่ตัวเองความรู้ก็รู้แล้ว gentle. พิจารณาด้วยความรู้ใหม่ในความรู้เก่าที่รู้แล้วที่ตัดรู้แล้วแล้วก็ด้วยอารมณ์ของความรู้นั้นที่เป็นความรู้เก่าทั้งความรู้ทั้งสิ่งถูกรู้เป็นของเก่าทั้งนั้นคือปฏิจจะที่ขาดที่ยังไม่ขาดนี่เป็นของเก่านี้มาถึงว่าตอนพิจารณาเนี่ยถามว่า ปติจจะท่านขาดไม่มีเหลือเลยชีวิตสาบสูญไปหรือบอกไม่เรานึกถึงให้ดีว่าสมมติว่างูตัวหนึ่งมันเป็นอยู่มันเลื้อยมาเนี่ยเราเอามีดฟันชั่วหัวขาดฟันหางอีกชั่วขาดมันตายใช่ไหมมันหมดผิดหมดฤทธิ์ถึงเราจะบอกว่าเราจะอ้างว่างูตายได้ไงก็งูขาดได้ไงก็ยังเห็นนั่นหางนั่นหัว เพราะนั้นอัตรัาพของพระพุทธเจ้าตอนนั้นเนี่ยเหมือนงูที่ถูกตัดท่อนเป็นท่อนแล้วจะว่าตัดสองท่อนหรือท่อนเดียว ก, ก็นับพอไม่ได้อะอย่างเช่นชลาท่านยังมีเป็นชลานอกเป็นชลาของของปฏิจจะที่ถูกตัดแล้วใช่ไหมขาดท่อนขาดตอนแล้วมรณะก็ถูกเป็นมรณะที่ถูกตัดขาดท่อนขาดตอนแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าดับปฏิจจะเนี่ย จึงหมายถึงดับจากความเกี่ยวพันกันอย่างงูเป็นนะฮะตรงนี้เราเคยมีคนอ้างบอกว่าเอ๊ะชาติสิ้นแล้วยารามรณนะดับแล้วทำไมท่านกล้าพูดอย่างนั้นก็ท่านก็ยังตอนนั้นถึงจะยังไม่แก่อะไรมากตอนตัสรุวแต่จะเรียกว่าแก่โดยธรรมก็แก่และแล้วก็จะต้องคงความแก่อยู่ไปอีกถึงอายุแปดสิบ แล้วก็จะต้องตายทําไมจึงตรัดว่าพ้นแล้วอ่ะพ้นจากชาติแล้วอะไรแล้วลคําตอบเนี่ยก็หมายถึงอย่างนี้โดยในายากของบทอธิบายของพระกัมพีนะหมายถึงอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่างเราเนี่ยเราเป็นงูเป็นความแก่ของเราเป็นความแก่เป็นความตายเราเป็นความตายเป็นความตายอยู่ในระบบความตายที่ยังไม่ได้ ยังไม่ได้คือเรียกว่าถ้าเป็นฟันก็ยังไม่ได้ทำลายรากฟันยังเป็นยังอยู่ในระบบของมันอยู่แต่ความแก่ของพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยเป็นความแก่ที่ไม่ได้อยู่ในระบบแล้วท่านทำลายไอ้ระบบสายสนกลไหนได้แล้วเพราะว่าไอ้การทำลายกิเลสทำลายทุกในพุทธศาสนาก็ทาลายกันในทางเลึกมองไม่เห็นข้างนอกแล้วนะะ แต่ว่าความคิดทางโลกเนี่ยมันมองว่าทำลายมันต้องทำลายกันอย่างทางนอกพ้นต้องพ้นกันอย่างทางนอกซึ่งมันไม่ใช่เพราะนั้นที่ในวินห่ห้ามพระว่าจะ